สินะของบุคคลที่ไม่ได้มีโอกาสรับรู้คําสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ให้สามารถจะบรรลุเดชบรบรลุเดชอ้อความจริงเนี่ยแม้ศาสนาพุทจะเสริมไปแล้วในด้านคําสอนก็ไม่มีใครสามารถจะบรรลุได้เองยกเว้นแต่ปัจเจกนะใครบรรลุได้เองก็น่าจะปัจเจกหมด แต่ต้องในกรณีจะมีปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นก็จะต้องพ้นพุทธสมัยนะระหว่างพุทธนรครับระหว่างพุทธนรเพราะฉะนั้นมันันกลายเป็นว่าการอุบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะทําให้มีการจับตัรู้โดยไม่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะอย่านี้อาใจตามแนวถูกคือทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะาะฟังคำถาม ก็ทําไมจะเป็นอย่างงั้นล่ะก็ว่าพระพุทธเจ้าก็หนุน่าด้วยสัทะลูมาให้มาเทศอะไรให้ฟังก็ไปต้องไปคนกว่าแสวงหาเองนะฮะแต่ว่า<น>เรื่องเขาปัดเจดเนี่ยอันนี้ผมก็อยากจะ<า>ถามในที่เป็นกลุ่มก็เลยว่าคนที่เป็นปัดเจดเนี่ยนะครับ<น>เขาเป็นปัดเจดเพราะหนึ่งเขาไม่ต้องการจะบรรลุ กับไปพูดใหเจ้าของอนถึงจะเจอเขาก็ยอมบรลุกก็จะขอเป็นปัจเจกบรลุเองที่หลังหรือเพราะว่าเขาจำเป็นต้องเป็นปัจเจกเพราะว่าพูด ค, คล้ายๆรอไม่ไหวหรือไม่มีโอกาสจะพบในตอนที่บา ร, รมีเขาแก่แล้วเขาจึงต้องมาบรรลุเองไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะเรียกว่าบรรลุเขาเองไม่อยากจะเป็นสิ่งใครอ่า เ, เป็นยังไงในพวกที่ว่าเนี่ยหมายความก็อย่างไรเป็นยังไงอย่างหนึ่งผมถามที่ประสบไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างใดก็ได้ก็มั่งเอาอย่างนี้นะถ้าเราลองไปนนนั่นลองเอาเวทีไปถามเจติวัฒน์พระติวัฒน์นานาคนจะไเนพระปฏิเจธถามว่าพระเิวัฒ น, เนเ์เนี่ยที่จะจะเจ็นปฏเสธเนี่ยเพราะว่าท่านอยากเยาวลุกของท่านเอง ไม่อยากจะเป็นสาวกขายหรือว่าท่านอยากจะบรรลุที่จริงอยากจะบรรลุตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้แต่ไม่มีโอกาสยังหวังไม่ให้หว่าจะขึ้นจะมาลบได้อะไรได้อก็โน่นแหละเพราะศาสนาพุ้มเสื่อมไปแล้วเพราะว่าท่านอ่ท่านเทวทัศน์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นกับขันธ์ที่ใช่ไหมเป็นผู้ชื่อว่าบุคคลผู้ มีกับมันนำลงอยู่คือแปลว่าตกอยู่ในนะรกนั้นโลกยังไม่แตกก็ยังไม่มีโอกาสขึ้นใช่ไหมทีนี้ถ้าเราคิดดูกว่าโลกจะแตกนั้พุทธศาสนาเติมไปกี่อสศงขายปีก็แล้วเห็มไหมครับพอโลกแตกแกก็เลยขึ้นอย่างนรกขึ้นอย่างนรกก็ไม่เจอรู้พุทธเจาาอันนี้ก็คงเก็บผลหนึ่งนะคะในเหนึงคืออาจจะต้องมีมเทวทัพบางอย่างที่อยู่ใน เป็นเสาของผู้เช่องค์ใดก็ได้เพราะว่าดูจากบุคลิกของท่านในอนี้เสดจประวัตินียท่านน่าจะเป็นคนอันนี้อันนี้ดูจากบุคลิกกันนะคะราบแล้วไม่ใช่อ่านในบุคลิก<ร>กันแน่นมาแล้วตัวของท่าน A องนะคะตัวของท่านเทวทัตเองคือเป็นคู่แข่งกับผู้เช่ามาอะไรอะไรอย่างงี้อันนี้ย้อนไปดูบุคลิกนาตามทฤษฎีวิชาการ คิดว่าบางทีท่านก็มาน่ายา่จะเป็นสาใครเป็นเองคิด <A. S 1> เ <c oughs> องก็อาจจะเป็ น, บบนทั้งสองกรณีไทั้งสกรณีก็ได้ทแต่แหล่งผลอันนี้ก็เป็น เ, นเว่าเราตร ค, คนบางคนก็อาจจะมีบุคลิกอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหเป็นแบบนั้นก็มีเขาย้อนมาเรื่องที่ เ, เป็นาอาวักระูกขาอาวัย มันไม่บอขอจะขอบรรลอะไรเลยแต่ทบุญนะเพื่ทำบุญไม่มีอะไรจะทำได้ดินทัวมาถึงคออะไรออก็เอาไว้ครับเเดี๋ยวเราสงสัยทไมไว้แกตาน่ยแล้วยันอ่นนะที่ม่ดีกว่าทางเรองใหญ่เห็นตาใ้ตาขวาู้ขวาใช่ไต้องไปถามมาเดียวทางี เนะขายอนมาถึงคําถามของผมเกี่ยวกับการเกิดสรู้เองในในยุคของพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยจะหมายความว่าไม่ว่าใครในยุคนี้เนี่ยนะนะถ้าหากว่าได้เติบโตขึ้นมาได้สื่อสารกับคนนะอื่นแล้วเนี่ยนะก็เอาคืนอะไรอย่างนี้นะครับหนึ่งถ้าเรายอมสันนิษฐานรับสอกรณีจะเรียกว่าเราสันนิษฐานอะไเองนะครั ยังจำจาไม่ได้อาจจะยังไม่เคยออกตำราวนี้จะเรียกว่าทอดไม่ทอดก็แล้วแต่ก็ไม่มีสิทธิ์มันเหมือนแต่ว่าเป็นเรื่องบารมีของพุทธเจ้านี่ติดกันมาไว้นะฮะมันกลายเป็นทามันทำมันนิยามไปถึงบางต่างเรยเขาใช้สองดวงไม่ได้สองดวงไม่ได้มีคามีมีอรจาได้มออุน อ า, อาจจะเป็นได้ว่าภาษาสื่อสารอะไรของมนุษย์ในยุคพุทธสมัยใดนะฮะจะมีพุทธวจนะแทรกซึมอยู่หมดมายความว่าจากมั้าาไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าเกิดมาในพุทธสมัย ยถาสิทธังเคยอะไรเนี่ยมันมีอิทธิพลของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่หมดแล้วแตเป็นครอบตุ้มหมดนเพราะฉะนั้นอ้างไม่ได้ว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างท่านจะบอกว่าใครบอกว่าอาตมาเกิดนู่นอาภริการสุภาสิทไม่บอกเก็ไม่มีพุทธสุภาสิทธนะสุภาสิทธนอยู่เลยก็อาจจะมีใกล้ๆกันบ้างแต่ว่าที่จะเป็นเรื่องของมรรคของผลเนี่ยที่สำคัญนะที่จะไม่แฝงอยู่ที่ไหนไม่มี การสุขภาพหน้าตาก็ยังไม่มีเลยยังยิ่งพัฒนายังมีไม่ได้ถ้าเช่นนั้คนในอฟริกาเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาของเขานั้นเราคิดของเราเองเราเราซึ่งเราว่าเลยแต่ว่าเราเมื่อว่าด้วยหลักการแล้วไนะเต้นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไปนั้นเรื่องอย่างเนี้เรื่องการกำลังดิษฐาน่นมือได้จับดึงบุคคลเข้ามาสู่กระแแต่เหล็กดบุญเจ้าเนียนะเพราะเราเนี่ยทำประธานกเรื่อไปก็ไปตรงตรม พระพุทธเจ้าองคไหนสัุที่ไหนคนที่มีบเรมีเกีย่ยวพันมาเขาไปเกีย่ยวข้องอยู่และใ น, ท, นที่นั้นเขจนาจะมาขอจะมาขอออกความเห็นในปัญหาที่อาจารย์วีได้ถามจะมาเข้าใจว่าคงมีความมุ่งหมายว่าคล้ายๆว่าพระพุทธศาสนาจะต้องหวฤทธิ์มักฝนิพานไว้เฉพาะเท่านั้นไม่ให้คนอื่นมามีส่วน บรรลุได <c oughs> ้ในข้อนี้เราคงจะพิจารณาคำตอบที่พระพุทธองค์ทรงตอบสุภาาัชสะสาวกองสุดท้ายที่ได้มาถามปัญหาว่าคำตอนต่างๆของศาสตราต่างๆของใครสอนถูกต้องของใครสามารถไีปฏิบัติให้ถึงความจริงทุกได้ ที่ท่านผู้ชมตอบว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปเารไนถึงขั้นตอนต่างๆของเจ้าละทิต่างๆทรานผู้ก็ ต, ต, ตอบว่าถ้าอาริยมรรคีองแตกเนี่ยไม่มีในที่ใดสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามก็ไม่มีในที่นั้นในศาสนานั้นในละทิศนั้นแต่ว่าอาริยมรรคีองแตกเนี่ยมีในศาสนานี้ เราะฉะนั้นสมณที่หนึ่งที่สองก็มีเฉพาะในศาสนานี้ข้อนี้เราก็คงจะพิจารณาในประเด็นปัญหานั้นว่ า, าการปฏิบัติที่จะบรรลุมรรคผลนั้นก็คื อ, อรีมาคเนืองแตกงั้นถ้าใครอยากปฏิบัติตามรยมาคมีืองแตกที่าละเอียดและออกามที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุ ตรงถึงสงคนพบนั้นท่านั้นก็ย่อมจะบรรลุได้แต่ก็มีหลักอยู่ว่าผู้ที่จะบรรลุถึงหรือว่าสําเร็จมรรคผลอภิพานนั้นก็มีพระพุทธจเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายลักษณะของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นผู้สร้างบารมีในการบาเพ็ญบารมีทั้งสิทธัตถ์ก็เรียกว่า คนฟ้าอริยามากมีองค์แปดจนละเอียดละอวชัดเจนด้วยพระองค์ของท่านเองหรือแม้พระเบัจเจ้าก็เช่นเดียวกันแล้วเมื่อพระองค์ทรงคนฟ้าคนพบอย่างละเอียดละอวชัดเจนแล้วก็ได้ตัศรู้แล้วก็สามารถีจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้ให้บรรลุตัสรู้ตาผู้ที่บรรลุด้วยตัศรู้ตาเนี้ยเราเรียกว่าสาวกเพราะฉะนั้นหากจะมีเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ว่า เกิดจะมีผู้ที่ อ, อ่านเสน่หใครคนหนึ่งบอกว่าเขาไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเลยแต่ว่าเขาบรรลุมรรคผลเนี่ยเราจะว่าเป็นไปได้ไหยก็คงเป็นกันไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้ทางแห่งอรมมิมรุญโยงแต่มันก็ธรรม น, นที่หนึ่งที่สองที่สามที่ ส, ส, ส, ส, สี่ก็มีไม่ได้ เราะนั้นมันมีความต้องกาเราเพราะเหตุผลอะไรจรึงจะมีอยู่มรรผลิพานอะไรเนี่ยจะบรรลุได้เฉพาะสาวกของพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกผู้เจ้าหรือผู้เจา้าเท่านั้น เ, เ, เ, เพราะนั้นผู้ที่จะเข้ามาสู่ทางนี้ก็ต้องเป็นไปไงล้ะสถานอย่างนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ของเหตุผลที่ว่าเมื่อได้ปฏิบัติตามอริมภะมีองค์แปดก็แน่นอนสมมนาที่หนึ่งที่สองก็มี เพาะนั้นรอยท่านจึงอุปมาว่ารอยเท้าไม่มีในอากาศชันใดสำแหที่หนึ่งที่สองก็ไม่มีในศาสนาอื่นและที่อื่นอันนี้ก็น่าพิจารณาว่าความสําคัญของอริยมรรคของแตนเนี่ยเป็นเปป็็นนเเหตุผลที่ว่าที่ว่ามีตำแหน่งที่หนึ่งที่ส่าถ้าไม่มีอันนี้มันก็ไม่มีทีนี้อันนี้มรรคของแต่เนี่ยใครละคนคิดขึ้นมาได้แล้วิทยาศาสตร์คนคิดขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระปฏิเอพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นจริงว่าไม่มีไม่มีใครคิดแล้วก็เรามาเปรียบเทียบดูก็ได้แล้วที่ไหนที่จะเหมือนของคําสอนเหมือนอารีมาร์คุยองแปดมันไม่มีจริงๆเราจะไปค้นที่ไหนมันก็ไม่มีในหลักแบบอารีมาร์คุยองแปดพ้าตีประชานเจตั้งมาประชานสีอธิบายสีอินทสีห้าพระห้าโพชฌงเจ็ดอารีมาร์คุยองแปดมันไม่มีหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีอันนี้ก็แน่นอนไม่มีไม่มีการตัดรู้ณที่นั้นแต่ถ้ามีอันนี้ก็ต้อง กล่าวได้ว่านั่นเป็นสาวกหรือปัจเจหรือสัมามาทัมพุทธังก็ขอให้ก่อนเห็นถึงอันนี้เรามองเป็นเรียว่าพิจารณาเป็นคำนับรองอย่างแข็งขันอย่างนี้คือถ้าเราไม่ไปมองในส่วนรวมๆในพุทธลัมหลักในเรื่องธรรมนองอย่างนี้เนี่ยนะครับบางเรื่องในต้อง ตระดัดแบ่งรับแบ่งบบสู้และรบแบตระัดเป็นการพรางอย่างหน่าชมเชยในในในเป็นบางเรื่องมีในาศาสนาอื่นก็ยอมรับแต่เรื่องที่จะทรงตระัดเด็ดขาดอย่างอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาเนีย่ยเรื่องอื่นท่านไม่กล้านะแต่ตระดเรื่องอย่างนี้แล้วก็เรื่องอย่างที่น่าคิดที่ผมก็แปลกใจอยู่อยากคืออย่างเชเรื่องอันัสตาเนี่ยเราไม่เคยเจอในคําสอนของใครที่ไหนเลยเอา ง, ง่ายๆเลยนะไม่เคยเจอที่ไหนเลย จะเป็นก็เป็นพวกอุเคทิทีไปเลยพวกขาดศูนย์แต่อนาตาไม่ยักมีใครเข้าใจกันไ้กระทา่งพวกลูซีในยินเดียกกให้เก่งกาัง่ายแต่พอไปถึงตรงนี้แล้วไม่เจ อ, อนล้นะ น, นี่เ็เรื่องอน่าประจาอย่างนึ่งซึ่งความีเรื่องนาตาก็เป็นแต่เรื่องในระดับวิปัสนาปัญญาเท่นั้นเองค มันละลายก่อนหน้าสีอานเกิดอ่าไม่มีเหลือครับอ่เพราะว่าสมัยที่สีอานที่จะเกิดเนี่ยไม่ใช่ห้าร้อยปีพันปีหมื่นปีนะครับเรียกว่าอยู่คนละอันตรกับอยู่คนละอันตรกับแล้วก็ในอันตรกันมีข้างลงกับข้างขึ้นตรวพระเจ้าทุกองค์จะสัตว์นู้ในอันตรกับเดียวกันไม่ได้นะในโลกเดียวกันได้แต่อันตรกับเดียวไม่ได้ แต่ว่าจะสลับกะโหลกที่อันตรกับข้างขาลงพูดอย่างนี้สภามีความรู้สหะจะเล็กไว้ไ อ, อ่ะนะขาลงแปลว่ามันมีแผลเสเื่อมแผลเจริญเจิดอายุลดลงเนี่ยตรนพุทธชาติจะเกิดอมาตลดลงภาษีอา น, นั้นจะเกิดเมื่ออครบรอบอันตรกับพวกเราไปแล้วเนี่ยครับขึ้นอันตรกับใหม่ขึ้นขึ้นไปแล้วก็ขาลงพลัสสีอานจะเกิดตอนที่ลงมาเมื่อตัดมีอายุแปดหมื่นปี จะไม่เกื้อนตาใจขาลงหมดไม่รู้วันนี้ยังไม่ทราบผม <c oughs> ผมไม่ทราบขาลงหมดฮนะขาลงหมดอาจารย์ขาทาัูนแล้วรู้สึกผมก็นึกไม่ออกว่ญญาท่านจะให้ผมวยังไงแต่ให้ว่าผมผมยังนึงกได้อาจารย์อาจารย์จะมีไหมแต่ว่าเราอาจจะชนิเป็นลักษณะแบบว่าทำไมทุกเจ้าจำไม่รู้ว่าเดวโลกกร่นี่นะ จะ่ตอบประเด็นปัญหานั้นจะจะนึกถึงคําที่คุณชุมศักดถามความเมื่อไอ้พวกศาสนาเสื่อมแล้วจะมีศา ส, สนาใหม่ว่าสําหรับตำราเนี่ยมันจะถูกเผาไหมา้ไปหมัน <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลยเมื่อจะมาไปอินเดียมันมั น, ม, นมันเกิดความคิดขึ้นอย่างหนึ่งก็ อ, อยากจะเอ่อนึกถึงให้ความคิดนั้ขึ้นมาจากคุณมสมศักคือไปเห็นท่อนมาชันต้าเห็นที่เขาจารึกหินที่สลับหินอะไรแต่อะไร แล้วก็ไปที่อินเดียใต้ไปที่อที่พระเจ้าโศกไอจารึกุษ ไ, ไปที่อย่างหนึ่งก็มีเด็กๆมันมารอสังฆังชะมนังคัดฉามิพุทธังอะไรมันพูดมันง่ายมันที่มั น, นมันรอ แ, แต่มันเรียงไม่ถูกเราก็มันนึกว่าแล้วก็ได้เห็นไอจารึกต่างๆได้เห็นสลักชิ้นต่างๆเพราพระพุทธศาสนานี่มันยังมีอยู่หรือไม่มีอยู่พระพุทธโลกก็มีมากมาย อะไรจารึกประสอบอะไระอะไรที่เป็นพุทธวัจนะอะไรนี้ก็ยังมีการโกนอยู่แต่ว่าใจของคนเนี่ยมันไม่มีอู้พุทธาศาสนาอยู่เลยที่ว่าเสื่อมนั้นมันเสื่อมจากใจของคนลงไปก็มาคิดว่าการจารึกอักษรต่างๆที่ลงไปในหินหรือเราจะสร้างอะไระอะไรขึ้นที่เราสร้างก็จะติดจดลงไปในหินอ่อนหรืออะไรก็ตาม เดี๋ยวที่เรามีพระต่ายพิฎกพิมพไปไม่รู้กี่สิบครั้งร้อยครั้งเราจารึกลงไปในกระดาษในหินเนี่ยถ้ามันไม่ได้จารึกลงไปในหัวใจคนเนี่ยมันไม่มีปางหมายแม้พระต่ายพิดกจะยังอยู่แต่ว่าคนไม่รู้พระต่าิฎกเนี่ยมันก็ชื่อกว่าเสื่อมแล้วพระต่ายพิฎกในพิฎกในอิเดียก็ไม่ใไม่มีนะมีแต่ว่าคนไม่รู้พระพุทธศานสนาเนี่เราจะเห็นว่าแม้แต่หินแม้แต่อะไรที่เราจารึกลงไป ก็สู้จารึกลงมาในหัวใจของคนเราไม่ได้ฉะนั้นอย่างที่อาจา ร, รย์ฤเทศมาสอนระดีฤเทศอาจา ร, รย์ระวีถ้าช่วยกันจารึกพระธรรมคำสอนลงไปในหัวใจของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีความหมายเหลือเกินว่าจะเขาพูดศาสนาจะอยู่หรือจะเสื่อมก็อยู่ที่นี่เราช่วยกันจารึกลงไปในหัวใจคนเนี่ยดีกว่าไปนั่งสลับกินให้พระธรรมนั่นมันอยู่อันนี้คงไม่ใช่เป็นตัวประเด็นตอบปัญหาจะนึกถึงให้ทวามคิดนหนึ่งที่มันเกิดขึ้น เป็นมุมอ ท, ที่น่าคิดจริงๆนะครับในความที่ผมถ้าังมีจารลึกอยู่เนี่ยคงจะมีจาดปดาขึ้นใหม่อีกไม่ได้เพราะเพราะว่าอาจจะได้อ่าน น, นั้นเั้าแล้วก็ <c oughs> หรือว่าไปฟังเสียงใครท่องมาเพราะว่ายังมาอาจารย์พูดพิทีนี้ก็ยังมีว่าเด็กข้างเท่าไหรนี้อาจจะไปได้ยินกับเสียงคนพูดมาอีกตัวเองได้นอกจากคนนี้ก็ตายไปหมดด้วยคนก็ตายหมดหินอะไรพวกนี้ก็ท่องละลายไปหมด พอถึงง่ายอันตรกับนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างงั้นก็ต้องเปิดไปเห็นตีลาจาริกแล้วก็เลยเออเรียนขึ้นมาแล้วเลยเป็นศาสตราขึ้นมาเพราะขนาดที่เรียกว่าขนาดที่ว่าพระพุทธองค์นี่ยังมีคนบอกจะเกิดซ้อนอีกตอนนี้เมื่อวันเมื่อวันวันนี้เองนะฮะมีคนเกาหลีคนหนึ่งเข้ามาที่นี่เมื่อวันพฤหัสที่ผานวันนี้เอง เขา เ, าเดิมก็ส่งสาวกของเขามา เ, าเป็นนาคีนาคีเกาหลีามา เ, าเมื่อสักสามสิอาทิตย์มาแล้วมาเจออาจารว่ามีความประสงค์จะต้องการจะเจอคนที่เขาเรียกวคนแท้คนจริงนะแล้วสรุกว่าเขาอยากจะบรรยายนะเราก็จัดเวลาให้บรรยายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเวลาสามโมงถึง สี่โมงครึ่งแล้วห้าโมงเราจะมีการบรรยายประจำของเราเขาพูดได้ได้คึ่งชั่วโมงคือพูดเนี่ยเขาก็ลําบากเพราะเขาเป็นคนเกาหลีเขาหาล่ามจากเกาหลีเป็นไทยแล้วก็หาไม่ได้เขาก็ไปให้แม่ีของเขาเนี่ยพูดเป็นภาษาฝรั่งเมื่อเขาพูดภาษาเกาหลีแล้วก็เอาคนเขาก็าไปได้สุภาพสตรีผู้หนึ่งจากวัชชนประธานติดต่อกับพระวชชนประธานได้มา ก็มาแปลจากภาษาฝรัง่งเป็นภ า, ภ า, ภ า, ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเองเมื่อพูดไปได้สักครึ่งชั่วโมงเขาก็ากดประกาศเลยว่าเขาคือพระพุทธเขาคือพระพุทธเจ้านะแล้วก็ก็บอกว่าไอตอนนี้มันเป็นปลายของพุทธสมัยของ เ, ออเขาใช้คําว่าอาะไรไม่ไม่ใชเ้เขาไม่ใช้ศัพท์ของเราสำนันกโกดุลเขาใช้ศัพท์ แบบที่ปรั่งใช้กันนะอะไรนะเะเรียกว่าสักธรมุนีนให้ท่านถามว่ายุคของสักธยมุนีเนี่ยหมดแล้วตอนนี้เป็นยุคใหม่แ ล, นะธธงงแล้วนะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ต้องมาแล้วในในที่สุดเขาก็บอกว่าเขาคือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นะมาประกาศแล้วเขาก็ยืนยันอยู่ข้อเดียวที่ว่าเขาถอนอะไรเขาบอกว่า law of cause and effect นะ แต่ถามว่ริเศ์สอนป่ากนะ็ไม่รู้เรื่องนะนะแต่ ก, กดกฎแห่งเหตุและผลยืนยันอยู่ข้อนั้นนะผมก็ที่เราไปฟังก็คือคือมันร้อยครั้งที่จะได้เห็นได้ยินไปฟังคนมาประกาศตัวชัดเจนเลยว่าเขาคือพระพุทธเจ้าแต่ว่าทำให้คิดว่า สมัยนี้ก็คงจะมีผู้ประกาศตัวอย่างนี้ในที่ไหนๆในโลกโลกของเราปัจจุบันเนี่ยอยู่หลายรายเหมือนกันนะแต่รายนี้ชัดเจนก เ, เลยนะแล<ต>้วก็บ้าๆไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับคำถามที่มาเมื่อกี้อันนี้นึกถึงก็อยากจะเล่าให้ฟังนะแล้วเอแล้วก็เขาก็ยัพูดถึงเรื่องเซิ r ์ฟไนะตาที่สามเขาก็บอกว่า เขามีตาที่สามนะไอ้ตาที่สามนี่เทอดายนี่มันมักจะหมายความถึงดวงตาเห็นธรรมนะที่เขาก็บอกว่าพระพุทธลูกทั้งหลายเนี่ยมีตรงนี้มีตาที่สามใชมที่ทำเหมืน ท, ท, ที่อุนาโลมอะไงี้นนั่นนะแล้วก็บอกจะให้ดูเอาไหมนะก็บอกดูนหน้าพระส <c oughs> ิ ไ อ, ต อ, อ, ตไอต้ตรงนี้มันเป็ น, นหนุ่นยๆตรงนี้นนนนครับตรงตรงเนี้ยมันมันโตนิดหน่อยนิดหน่อยทั้งหมนั่นแหละตาที่สามผมครับบอกว่าเราบอกว่าม<น>ีเราบอคนไทยตาใหญ่แบบนี้ <c ười> คุณนั่นไงน่าจะนั่นแหละกีฬาดีเกมเมื่อก่อนศิลป์ทตาใหญ่มาคุณคุณอะไรนะ้าคุณชทยยาอะไรตกกินยาใช่ไหนผมตกในตาที่สามนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าภาระมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสิ่งที่เขาพูดเนี่ยแต่รออีกห้าสิบปีจะถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของที่นี่ที่นี่คือที่ที่เขามาปรากฏตัวเนี่ย้องอะไรแต่มันเราตคนไทยเนี่ยนะก็สุภาพนะหว่างให้ก็เป็นแต่ว่าซักไซส์ไร่เงี้ยเอาหน่อยแต่การที่จะไปรุนแรงอะไรเนี่ยเราก็ไม่ทํากันนะก็ มีก็เล่าใฟังนะแต่ไม่ไม่มากหรครับไม่ถึงสิบคนนะเพราะว่าเราก็เป็นประกาศนะผู้ชายเป็นผู้ชายไม่ใช่พระนธรรมดาธรรมดาเนี่ยผอก็อยากจะเล่ามีเป็นพระแล้วก็มีพระฤาษีด้วยมาวัดที่วัดโพนะเขาอยู่ในพระสวรรค์บว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งไม่ได้เป็นาวแล้วขาไม่ธราคน แล้วก็ใช oh, <okay. S 1> ้ตรงนี ok. so ้ปีนีท้าลูกตายท้าลกวางมามันเหรือมหลังเลยหมดวางแล้วก็มันเป็นเรื่องดีเราต้องคนประเภทนี้กับประเภทอัดอันะจะเรียกเกินเกินอะไิดใจอย่างเี้ลักษณะตึงๆหน่อนะโหยิ่งกงตลิ่งน่าอวดใจอ้วย แต่ว่าถ้าเราจะถ้าแชได้คนผิดก็ต้องถือรบทุจริตหรื อ, รอบ่าอะไรไปนะแต่ถ้าบอกว่าไม่บาเราก็ผิดนะครับเสียใช่ไลองก็ย้อนมาเรื่องที่อาจารย์ยเรามีปัญหาผมก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ในเกิดความรู้สึกไม่เคยรู้สึกเรื่ อ, อย่างนี้มาก่อนว่าศาสนาในเบียเราเคยพูดว่าตืมเมื่อศตวรวัดสี่สิบเจ็ดแล้วไม่ปลับไปไหมเหมือนสตวตรตวัดนั้นสตวตรวันี้ เตืจริงหรืล่าพระคุทธลูกมีเยอะแยะอย่างที่กันว่าใครับมีจ้าที่คำตอนอะไรเนี่ยเราจะเรียกว่าเตือนหรือไม่เตือนก็ไมเลื่อนเลื่อนที่หน้าก็เว่าอยู่ที่ใจใช่แต่ว่าในทานงปฏิบัติว่าไม่ใช่เป็นคําตอบที่เป็นคําตอบที่ถามว่าทะลูกนี้เพราะว่าถ้ายังมีไอ้หลักฐานอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าคนลุกนีมม้จะไม่เข้าใจต่อไปก็อาจจะมีคนเข้าใจนะเหมือนที่ลาจะเลือกของพ่อคุณลา เรียาเสริมจากการรู้เรื่องด้านมาสัสถุศิลเนี่ยนะมารู้เรื่องด้ า, านวัฒนธรรมทีการิลปนที่จะมารู้ได้ก็มีมางคนวาศึกษาที่หลัแต่มีข้อหนักที่จริงๆว่าาจรย้เลิจะลงในแผ่นหินอย่างที่วัดบางน้าทาเนีเยมีข่าออมาวัดกลาน้างทะเลยาารย์เลิศเขาีลงในแผ่นหินแต่เราก็อะไรครับมันอยู่ท่ ก่นเข้าใจอย่างนี้ที่ก่อเขาใจอใส่่พอการทาเสร็จแล้วเาก็รู้ว่ากช่วยคือเขียงไว้ือนกับคนเรียที่ว่แต่งมาเอเข้าใจได้ด้ยแต่เีมไว้เพือรอให้คนเข้าใจเขามาอ่็ช่วยางแง่นแต่ถ <seu> ้าเข้ใจมีดอยู่ก็มีใครเข้าใจเยอะนะเ้าใผิดเาปูกไปเองถินแตกไปเองก็ถื้ว่าสร้างไปแต่สวนเปล่าจะปลอเข้าใจกคนรู้ลักผู้ทางอะไรบุญไร้รไป ท่านท่านครับอย่างที่ว่าศ า, าสาตราพุทธะอยู่ได้ถึงห้าปันปีอันนี้ท่านทำนาไว้เองหรืออ๋ออันนี้ในทา่านศาสนานะครับก็กาาแก่ก็คือในวิริยธรรมฐานะครับรแล้วก็ในอาสนาที่แก่สุดเกี่เรื่องอย่างนี้เช่นประตูที่จะที่จะเกี่ยวกับการบวชของงาง น, นางสมบูรณ์นะครับจะที่สงศ์ที่นั่เป็นเตียงพันนะ ได้คำว่าเป็น<ก>พ <Sur Ps> ันแต่ว่าจาท้าแกวันน้อยถึงอริยะอริยะบุคคลในพระพุศาสนาไม่ได้หมายถึงลิงไม่ได้หมายถึง่าแต่ถ้าหมายถึงลิงคือเครื่องหมายของความเป้าและก็คาสอนจะาถึงเรื่อง่าเป็นที่สุดธาคือตัวดุพระพุทธเจ้าแต่ที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะตงปิปัเมื่อนั้นพุทธศาสนาที่่อมไม่มีอะไรเหลือ อ, อเป็นศาสนาทางศาสนาวัตถุศาสนาอุคคลอะไรมีเือเลยที่ว่าเป็นาทางที่ว่าบกนี่อยู่ในชั้นชาตบาลีเลยหรือว่าเป็นในไทยทัหมดในลาาแล้วท่าน่าหรือเ่าว่าเป็นเป็นเป็นพุทธพจน์ที่ว่าจะอยู่ถึงห้าถึงห้ามันปีอ่ก็ที่ว่าทวิจารณ์นะเพราะพุทธพจน์มีรรู้ว่าเป็นเรียนพันปีหนึันปีนะถ้าถ้าที่คนนี้ไม่บวชนะะก็ หน่งะบวกกัอาราที่นี้เรื่องสัญชาญาอะไรว่าปะยกนเนี่ยบาที่ารัและท่ามีความหมายอะไรของทนอย่างนี้กะถาโลท่านหมายถึงทริยคุนในสมุาสนาแล้วแล้วที่มีคาพูดว่าทว่วนเป็นลาดับมาตั้งแต่ชั้นพระอภิธรรมลงมานี่ก็ชั้นอาตมาเป็นารเตเป็นการเตความเป็น้างจากพุทธจากพุทธพุหรือว่าไม่ปับโออนี้เรื่อง ถ้าจะดูถึงในหลักฐานเนี่ยเราไม่พบแล้นะครับแต่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องไรเเรื่องเปรตอีกสายหนึ่งนอกพรดไตรยศพที่อาจจะสืบสายกันมาตั้งแต่รายระยรูปอนๆเพราะว่าเรื่องของพระไตรยศพยังไม่ได้้สังเก็บบรรยากาศไม่หมดนะนี่แง่หนึ่งที่เรากระจาางีีก็เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาแต่ตอนที่ยานนี้หนึ่งเขาเก็บที่ร่ำคัที่สุดพอชั้นต่อมาต่อมาเล่าสืจมันก็เห็นเป็นสำคัญแล้วก็เก็บเติมเข้าไว้ เป็นลําดับต่อมาแสดงศาสนาเองที่ท่านถายทอดกันมานะครับส่วนหนึ่งแต่บางส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเกิดที่หาัีหนะเห็นในเชิงซึ่งต้องเรื่องในศาสนาเนี่ยนะในศระนาที่ก็เรื่องในาราคนาเล่าเรื่องในยีเย่ยุคก่อนหลังนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องในสมัยยุตระการมีทั้งสองอย่างปนกัน เราเรามาดูการอ้านพระสูเลยนะครับพระร า, ยายทีจะยกพระสูตรขึ้นมาอ่านะสูตรนี้ก็อะไรสูตรที่ผมได้เล่าไปแล้วเมื่อกลาวโน้นคือปาจิปาเรื่องสูตรในช่างตันบอกอสิการถูกพระราชีก็ได้กล่าวชวนคาถามเราก่อนว่าไม่พึงกล่าวความเห็นอย่างที่เขาพูดหรือ เราก็บอกว่าใช่ความเห็นที่ท่านกล่าวเนี่ยไม่ถูกที่ว่าสภานิติสัตได้อย่างตงถู่ทางแน่นอนในสมัยของพระพุทธกาสปะเนีย่ยเราบอกว่าใช่ไม่ควจะพูดอย่างไรพระวารีก็ต้องการจะให้น้ําหนักความเห็นของตัวโดยอ้างที่มาคือพระสุชาติการสุบนะครับที่ตรงตราสเล่าแก่ลานนล์ว่าดูก่อนอานอน์เราได้ประพฤติพรหมจรรในพระผู้มีพระภาคทรงพระนามมกัสปะ เพื่อความะะตรสรู้ต่อไปดัง น, นี้เป็นสูตรมีอยู่จริงมิเทหรือมีคว่าเพื่อะะตรัสรู้ต่ออีกนะใครา็ว่าเหมือนตััสรู้มากหนึ่งและอีกพัตที่เหลือสามก็จะได้ในตรัสรู้ต่อไปซึ่งคำว่าประพุิธรรมจันท ร, ร์ในที่นี้มันมีความหมายต่างตราง